เราก็ปฏิบัติทำกันอสอนตัวเราเองบ้างคอนอื่นสอนบ้างการสอนเองได้นี่ดีที่สุดดีกว่าคนอื่นสอนการเจริญสติ <c oughs> ก็ไม่ใช่สอนเฉยๆจะเกิดการพบเห็น จะเกิดการพบเห็นโดยไม่ต้องสอนการปฏิบัติมันเป็นการพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นการสอนเนี่ยทำให้เกิดการคิดเห็นการคิดเห็นมันอยู่ไกล ย, ยังเอาไปใช้ไม่ได้แต่ว่าการพบเห็นมันใช้ได้ทันทีใช้ได้ทันทีทนทแล้วก็ เป็นของที่อยู่ใกล้ๆแล้นั้นจึงมีการปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติธรรมนี่ต้องทำให้มันดีๆนะทำให้มันถูกเป็นเราเจริญสติอย่างนี้ไม่ใช่ไปหาเป็นแต่ดูทันทีเลย มาได้ไปหาก็ได้ไปจ้องก็ได้ระวังมันจะเห็นอะไรอะไรไมันจะเห็นไม่ใช่ดูกกายมันก็เห็นกายการเจริญสติในการปฏิบัติธรรม น, นันเกิดการพบเห็นเข้าตัวของที่เราทําอยู่มันก็มีแล้วมีแล้วเราก็ใช่ให้มันรู้สึกตัวได้ ต้องการใช้ให้มันรู้สึกตัวเมื่อไหร่ใช้ได้ทันทีแต่ความหลงเอาไปใช้มากกว่าความรู้สึกตัวเอาไปใช้แต่เรามีกายมีใจนะ่ะความหลงเอากายไปใช้ความหลงเอาใจไปใช้เมื่อความหลงเอากายไปใช้เอาใจไปใช้พอเราจะมีสติเราจะใช้กายใช้ใจนะ ก็จะมีปัญหาว่าอาจจะความหลงมันจะแสดงออกมาจนสุดความสามารถของเขาเราก็มีหลักของเรารับรองว่าชนะแต่ความหลงกับความรู้สึกตัวนะความหลงเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะความรู้สึกตัวถ้ามันหลงลงไปแต่เรารู้สึกตัวมีอรีบุตรในนิมิต ในที่ตั้งมีกรรมใฐานมีความเพียร่าทิ้ง่าทิ้งหลักใครๆก็ตามที่จะเก็บอารมณ์การปฏิบัติจะทิ้งหลับจะไปหาทำใหม่ๆก็คงอยากไปลู่จะไปคิดลู่โน่นลู่นี่จะไปคิดเอาถูกเอาผิดคิดว่าจะได้คิดว่าจะไม่ได้ ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยเป็นการปฏิบัตลิลุ่นล้วนการปฏิบัตลิลุนล้วนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวชื่อชื่ออย่ามีอะไรพี่มาล่วงมากเกิดไปอยากรู้จึงทําไม่อยากรู้ก็ไม่ทำถ้าทําเวลาใดเขาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเมื่อความอยากแล้วมันก็เกิดอะไรมาอีก เมื่อไรมันจะรู้เมื่มันจะรู้รรทําไมมันจึงไม่รู้หนึ่งวันแล้วสองวันแล้วมก็ต่อไปเองใคอยากรู้ก็มีอะไรมามาร่วมเยอะแยะตัวหมดเลยดีไม่ดีอยากรู้ก็กลายเป็นความหลงไปเลยก็ราตั้งต้นไม่ถูกการปรฏิบัติไม่ต้องมีอะไรมา่งการเห็นกา ร, เ, รเจริญสถียรรุนรน่นระุ่นนะมา มันผิดมันถูกไม่เป็นอุปสรรคมันเป็นประสบการณ์มันเป็นบทเรียนไปด้วยซ้ำไปมันรู้มันไม่รู้่าแต่เรารู้สตัวอยู่เขาใช่ได้แล้วไม่ต้องเป็นรู้อันที่เราไม่ได้ทำสิ่งที่มันรู้สิ่งที่เราไม่ได้ทำกลับไปสดใจเราอยากไปหามันด้วยให้มันรู้ในสิ่งที่เราทำนะ ให้มันรู้ในสิ่งที่เราทำเราทำอะไรเราทำกรรมฐานเราเดินจงกรมให้มันรู้ในการกระทาของเราเดินเพื่อให้รู้สึกเราเดินเพื่อให้เกิดความรู้สึกไม่ได้เดินเพื่อหาเพื่อจะเอาอะไรจากการเดินจะไปเอาอะไรจากการเดินนอกจากความรู้สึกแล้วไม่ใช่จะเดินมารู้สึกตัวก็ใช่ได้แล้วเดินให้มันรู้สึกตัว สร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหวไปมาให้มันรู้สึกตัวเท่า น, นั้นเองการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตรงนี้เราก็จะไปหาอาจจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปลําดับลํานําอะไรมันจะเกิดตัว่ามันเกิดมันไม่เกิดมันก็ไม่เกิด เกิก็ไม่เป็นไรไม่เกิดก็เป็นอะไรอะไรต่างๆเรารู้อยู่นี่เราลู่อยู่นี่เราลู่อยู่เราลู่อยู่หรือว่าถูกต้องแล้วพยกมรสร้างจังหวะลู่สึดตัวใช่ได้แล้วเราเดินยงกรมลู่สึดตัวใช่ได้แล้วการวันเกิดไม่ลู่สุกตัวเวลายกมรสร้างจังหวะแล้วก็ วิธีอื่นช่วยเพื่อจะให้มันรู้เช่นอย่างวัตสีภาษาอะไรเหมือนกับเขาเขียนหนังสือเขาเน้นัวไหนที่ให้เราสนใจเขาเน้นสีเพราะสีนี่ก็เช่นเราพีเพื่อรู้สึกตัวรู้สึกตัวสักสองสามอธิบทมันก็กลับมาได้ ให้มันชัดเพื่อให้มันชัดกับอฏิบทที่เราสร้างกระดิกหัวใส่ด้วยก็ยิ่งดีถ้ามันไม่ชัดนะ่ะถ้ามันเพล่าเพ่าเป็นเป็ น, ปนสิ่งที่เราทำได้ไม่มีใครดอกที่ยกมือสร้างแค่ว่าไม่รู้ไม่มีถ้าเราอยากรู้ เขาเขาไม่อยากรู้ทางหาเขาก็ปล่อยความคิดพาหลงไปเฉยๆเขาไม่อยากรู้เขาหาอะไรมาเขาก็เอาอนโน่เออนเข้าน่นไปแล้วก็เสียเวลาผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญสตินี่มันมีให้เห็นทันทีมันรู้ได้ทันทีอยู่แล้วตาก็ไม่ต้องดูอะไรก็ไม่ต้องไป หาเราเพียงแต่เรายกพลังสร้างจังหวะเ่านี่ถ้าจะเก็บอารมณ์หรือเก็บอะไรอย่างนี้ตั้งต้นอย่างนี้ตั้งตนตรงนี้เรามันจะไปได้สะดวกแต่ไปเอาเหตุเอาผลเอาความชอบเพราะความไม่ชอบไปเอาผิดไปเอาถูกไม่ต้องผิดจะถูกจะได้จะผิดจะได้หรือจะไปได้ไม่เกี่ยว เกิดเท่าไรไม่มีประโยชน์สำหรับเราคบว่าได้คาว่าไม่ได้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเราทำที่เราเกาิดตาจใหใจันรล้ต่างหากต่างหากอันอื่นบอกคืนไปทั้งหมดเลยอามความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวเอาของ น, อน้อยเสียก่อนของน้อยเละมันจะเป็นของมากความรู้สึกตัวเนี่ย ไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไร so s <S ก็จงไปให้ความเห็นจะไปเอาความเห็นมาแย่งกับความรู้สึกตัวมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่มันลู้มันจบแล้วมันลู้มันลู้มันจบแล้วความรู้สึกตัวมไม่ใช่จะมาเหุท้าผลมาประกอบมันเป็นความรู้สึกตัว มันเป็นความรู้สึกตัวมันถูกต้องแล้วแล้วเราก็ทำถูกต้องแล้วจังหวะที่เราทำเนี่ยเหมาะแก่การรู้สึกตัวที่สุดแล้วไม่มีอรไรบมดไหมที่จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวแบบพอดีพอดีไม่ช้าไม่นานไม่สั้นไม่ยาวไม่ช้าไม่ไวไม่สั้นไม่ยาวพอดีพอดี กับความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเป็นความพอดีกับรีบ ท, ที่เราสร้างความรู้สึกตัวกับร่าีบ ท, ที่เรากําหนดขึ้นมานี่มันก็มีจังหวะของเขาบางทีมันก็ไวบางทีมันก็ช้ามันพอดีของเขาเวลามันไวมันก็พอดีที่จะมันที่จะต้องการความรู้สึกตัวเพื่ออะไรเพื่อมันเราวิ่งหนีลดน่ะ เวลารถมันวิ่งมาเราจะเดินอทอดจ่องอยู่มันก็ไม่ได้เราก็ต้องใช้ที่บทวิ่งเพื่อให้รถไม่ถูกชนวามทีความหลงที่มันไม่ใช่ความรู้มันก็มีบ้างเหมือนกันเราก็เอาความพอดีของเราที่สร้างความรู้นี่ให้มันเหมาะสมกับความหลงที่มันจะเกิดขึ้นมา ไวบ้างช้าบ้างจย่ไปเอาถูกเอาผิดกับความไวความช้าการเดินจงงงงงงงงังกรมก็เหนกันบางทีเราไปเช็คว่าเดินหนึ่งชั่วโมงก่อนั่งหนึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ถูกเสมอไปบางทีอาจจะเดินมากกว่านั่งนั่งน้อยมากกว่าเดินอาจไม่ไม่ถูกเสมอไป ความถูกมันก็เป็นความมันก็เป็นความถูกของมันตามสภาพธรรมสภาพธรรมมันจัดสรรมาโดยเพราะการปฏิบัติเนี่ยมันถูกจัดสรรให้เกิดความพอดีอยู่แล้วการยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกลมแล้วเวลาด้วยเวลาที่มันรู้ตัวมันก็มีเวลาทีา่มันก็มีโอกาส เหมืนรถที่มันวิ่งทักเดี่ยวเขาก็ได้เวลามันกันบางครั้งเมื่อมันได้เวลาได้ทางก็วิ่งเอาวิ่งเอาแตเวลาไหนที่มันจะละจอนคราบคลั่งมันก็พอรู้จักช้าบ้างถ้าใช่วิ่งเอาตะพึ่ตะพือมันก็เกิดความไม่ปลอดภัยได้การเจริญสติก็เหมือนกันจะเอาเหมือนเมื่อวันนี้มันก็อาจจะไม่ได้จะเอาเมันเมื่อเช้านี่ก็มันอาจจะไม่ได้เช้านี่มันดี น, นี่ทําไมไม่ไม่ดีมันก็ไม่ใช่ชีวิตของเรามันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องมากมายแต่ว่าเมื่อมันเกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่สะดวกนั่นแหละอาจจะเป็นสิ่งที่มีบทเรียนที่ดีกว่าเั้นคนวิ่งรถในทางจราจรทรับข้างอาจจะตั้งสติได้ดีกว่าการวิ่งแบบทางเปลี่ยว หรือปรเด้วห้วงนอนประมาทหลับในไปเลยนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วถ้าถ้าจะให้พูดนะมันมีปัญหาอะไรดีไปุ่ถ้ามันห่วงลงไปให้มันคิดลงไปให้มันไม่หลงให้ให้มันไม่ลู่ลงไปมันจะได้เก่งตรงนี้แหละเก่งที่มันไม่ลู่เลยสเต็เวลาใดมันไม่ลู้มันลู่อ่ะมันเก่งมากแล้วใช่โอกาสกันให้มาก เราก็มีโอกาสนั่นอยู่ตลอดเวลาการปฏิบัติธรรมใช่ไหมพี่ปฏิบัติของง่วงนอนง่วฟัดง่อเวียดกันมันก็เจีงจากนั่นแหละอะถ้าหลวงพ่อคิดนะไม่ใช่คิดนะไม่มีใครที่ไม่ง่วงนอนไม่มีใครที่จะไม่คิดปกปนคนคิดคิดทุกคนแต่เวลานี่ถ้าจะให้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเจีงตรงนั่นแหละเจีงตรงที่มันง่วงนั่นแหละจเจีงตรงที่มันหลงน่ะ จังมีความองอาจแก้วกล้าอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลาเก่งในตรงที่ันโกรธเก่งในตรงที่ันทุกข์เลยไม่กลัวเลยไม่กลัวจะกลัวอะไรมันไม่เป็นศีภศัานี่บางทีเราไม่รู้เราก็ถือว่าเป็นปัญหาเสร็จแล้วไม่ใช่มันมีโอกาสเสร็จแล้วอาจจะมองง่้นมากกว่าโอกาสดีนาะทีทองสำหรับเราแล้ ว, นกกว อ, ล อ, อนมากกว่าแต่ดอเรื่องรนมากกว่า แต่ไดมันปกติก็ข่อยเช้นข้อใดโอ้ยไม่ไีรถดเนชาติมันก็คนขับรถในแบกพอทายกจงแ้วขับซาๆาห่วงนอนเถอนบ่ะใยมัน่อยเศร้าเถอะน่คนเดียวมันจริงไม่ห่วงนะตักระต่ตือรถบางทีมันมันแอคีฟเพราะว่าภาษาเลยนี่มันมันก็เจ็กนั่นนะ การปฏิบัติธรรมก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่า อ, อะไรพวกเราเจ็บอารมณ์ลงไปอยู่คนเดียวลงไปอยู่กับมูลงไปบางทีหนูจะมาปฏิบัติหนูจะเก็บอารมณ์หนูจะไปทงวัดหรือเปล่าหนูจะเก็บอารมณ์หนูจะไปฉันเข้าหรือเปล่าผมจะไปทํำยังไงไม่ต้องถามหรอกมันจะมีคําตอบอยู่ในตัวนั่นแหละถ้าไปก็ไม่ผิดถ้าไม่ไปก็ไม่ผิด ถ้ามันมีคำตอบเห็นคำตอบถ้าไม่มีคำตอบไปก็ไม่ถูกไม่ไปก็ไม่ถูกมันอยู่กับเราแท้ๆการปฏิบัติธรรมนะามทีมันก็ต้องในการท้าทายบ้านะเหมือนกับสมัยก่อนเราไปเรียนยัยศาสตรเอากบฟันกันฟันให้ดูจริงๆ ไม่การท่าทายงแล้วพันแบบไหนดอกพันกันจริงๆจนหลังเอ็นไปนั่นแหละต่ำจริงๆท่าทางแต่ก่อนที่จะพันกันมันก็ต้องมีอะไรที่มันพอเพียง พ, พ่อก็เคยพันหัวแม่เหมือนกันมาแม่สุดนะตกใจเลยจ้าร้อยเทศแล้วก็พิได้หน่อยแล้วทิ้งไว้ตรงนี้เสียหายมากนะแล้วพ่อไปเรียนศิลศาสตร์มาเป็นหมอ แม่หลวงพ่อน่ยเป็นผีใช่ไหมแม่สุดถือผีเฮ้ยผีอะไรเยอะๆไปหมดเลยมา แ, แม่สุดดูแม่หลวงพ่อไม่พอใจหลวงพอ่ลงพอลวงบอกให้เลิกเลิกได้แล้วเรื่องผีเรืงสังไม่ต้องแต่ไปขึ้นกันหน้ากันแบบอยาไปที่ไหนที่ไหนหยุดแม่ก็ไม่ชอบเห็นหน้าหลวงพ่อลับตาเลยเอาผ้าคุมหัวมาแต่นาเวลาเนี่ยเราดูนี่แหละ ไปทำนานมากำลังจะนอนนี่แหละคานเรามาหาหลวงพ่อคานลงมามึงไม่รู้จะกกหรือบอกใน้อยนี่กูนี่แหละม ah าเหสัตว์หลักเมืองราสัตแ์นั่นบอกให้สุดนงจะมาข่มมางาเูาหรือขนาดข้านั่นมันก็ไม่รู้เลยมันก็เคยท่องคาถาใช่ไหมไล่ที เอากล้ว อ, อีทรสมยุตังยานังอิสันโตสวัสดยันนมาเื้อปัะโตอีที่ยวเมันตังตีนางมนหม็มันก็โชว์กับทีได้ป่ะผู้อาวุดาบกันมาโอ้เฮสักหลักเมืองเลยเนี่ยฟันหัวแม่เลยเนี่ยตมก้ อ, อยร่มไปโอ้ยมึงมาฟันหัวกูจังได้หัวกูบ่มปนแตก้โอ้ยบาเลฟันหัวแม่หอกฟันฟันมาเฮสักหลักเมืองปมันคาดนี่นี่ โอมันหัวาวผมขอขาดเลยบางทีมันก็ไปอย่างนั้นบมันก็โชว์ผีมือของกันเหตุที่มันจะเกิดทำไมเราตู้เราต้องสู้ประาอะไรความหลงเนาะความทุกข์ปราร้าอะไรอะไรทาไมจะต้องสู้นี่แหละเค่อยเก่งนะตู้ขั้วงเอง้อนอนอะไรนั่นเราเห็นอะไรเราตรงกลมเราสร้างจังหะ มันมีแต่วความง่วงลิบหลี่เล็กเละแล้วคิดจ้อยมีแต่วความคิดผ่องซ่านอะไรอะไรต่างๆตัวไม่ไหวตัวไม่ไหวมันไม่ใช่ดอกทำไม่ใช่สติพูดมันเป็นกิเลสมันพูดมันเป็นกิเลสมันพูดก็ไปเข้าข้างมันยึดความรู้สึกตัวเอาไว้ตกขาลงไปรู้สึกตัวลงไปรู้สึกตัวลงไป ก็อยากไปพูดว่าหลวงพ่อคันหัวแม่นะมันมีเหตุแบบนี้ <c oughs> มันเข้าใจกันอืปันมาเหศักดิ์หลักเมืองปันมามากแล้วอเรื่องผีเรืงสารสำคันก่อนเนาะไปหน้างั้นจะไม่เป็นหมอพอมามีสติจืดหมดเลยจืดหมดเลยไม่ได้แล้วนะไปเสกดาบโดดดาบให้อ่อนมันกัไปบหญ้าจืดไปหมดเลยสติดีกว่าไม่เอาเอีกแล้วอืา นั่งหนังหนาวันนี้ก็ไม่เอาอีกแล้วมันต้องปกติหนังอะไรจะมันหนามีดดาบอะไรจะเป็นใบหญ้ามันหมอมเมาตัวเองถ้าพันไปเบื่อจะหัวแม่ขาดเท่าไหร่มันก็ประมาทจะได้คนที่เรียนใช้ศาสตร์ผิดพลาดมีเหมือนกันนะเตะเข่าเพชรกันสบายก่อนเนาะขั้วเรดารฟันขาตัวเองนะขาขาดเลยไมกว่าเรีจนิดเหนียวไม่เหนียวใช่ไหม ไม่เหือนกันน ะ, นะอย่าไปเชื่อถ้ามองมีดเป็นใบยาผิดแล้วโอยขวนเสียเลยพอมาลูา่ธรรมะโอ้อาจารย์ทำไมสอนเราอย่างนั้นพนะอมาป ฏ, ฏิบัติทำกลับไปบ้านอาจารย์บอกว่ามามามา ม, า ม, ามานั่งปกผ้าด้วยนี่ๆจะเอาผ้าออกหลายร้อยลกูกคงจะดีแล้วปัญหาจาะหาผ้ามานลองปก พูดออกไปเลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้อโอ้อาจารย์อาจารย์จะนึกว่าคนในโลกโง่เหนเราหรือผล่ลงไปเลนไมทำไมพูด น, นั้นอะไรจะให้นั่งปกพ้าอาจารย์นึกว่าคนในโลกจะโง่เอนเรารคนเขาฉลาดคนเราก็มี่โล่งง <laughs> เลอนไหมันจืดนะแตไปให้ร้องโง่ง้องไมายไม่เอา เอาความรู้สึกตัวเป็นสัจธรรมไปใช้มีดดาบติวมันไ่ยากมันไม่ติวเด็กมันไม่ติวมันหลอกเราหลอกให้เราทำผิดนะนี้ความจริงต้องอ น, นี่แล้วความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แล้วเอาเธอพวกเรามาทางนี่กันเถอะแต่ไปลงที่ไหนเลยเอารู้สึกตัวควารู้สึกตัวเารามีทีน่นั่น มันไปทั้งไหนกลับมาไปไหนก็ไไนกลับมาไปไหนก็กลับมาจะเป็นจะตายจะไร่จะดียังไงก็ให้กลับมาอารู้สึกตัวตกขาเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเต่อไปไม่ไม่ได้ต้องตกขาตกแขนหรอกมันเป็นถ้าทําให้ได้ทําให้เป็นไม่ใช่รู้มันเป็นทําให้มันเป็นทำให้มันเป็ น, <c oughs> ม น, ปนไม่ใช่รู้ถ้าเรียนเพื่อรู้เรียนง่ายง่ายบอกตวเนี้ก็จําได้ อาว่าตามดูทำมีอุปการะมากสองอย่างดูนะเพี่ยนทำมีอุปการะมากสองอย่างสติความระลึกได้สัมผััญญาความรู้ตัวแบบนี้ไปสอบนักทำทำมีอุปการะมากมีกี่อย่างตอบไปสิมีกี่อย่าง ถ้ามีอภปรายละมากมีกี่อย่างอะไรบ้างล้วก็ต่อไปทํามีอปรายละมากสองอย่างหนึ่งสติควรมละเอได้สองสัมผัสชั้นยอดก็รูตัวตอบได้รู้จําได้ใบประกาศมาห้อยฝาแต่ยังโกดอยู่ไม่ใช่สติยังหลงอยู่ก็ไม่ใช่สติงงอสตเอาไใบประกาศเป็นวุฒิบัติเอาเป็นหลอกกันคนเราก็ชอบหลอกกันมันไม่ใช่ของหลอก สัจธรรมไม่ใช่ของหลอกเป็นของที่ใช้ได้ทันทีไม่ต้องมีเวลาหลอกใช้ได้ทันทีใช้ได้ทันทีเป็นของใช้ไม่ใช่เอาไปโอ้ไปอวดเึงของใช้เวลาใดที่จําเป็นต้องใช้ใช้ได้ทันทีแล้วก <c Körper> ็เป็นสมบัติของกายของใจสติเนี่เป็นสมบัติของกายของใจพร้อมหลงไม่เป็นสมบัติของกายของใจหรอกสตีนี่แล้วสตีนี่แล้ สร้างเอาสร้างเอากําลังพอมีอลู่มีทางไม่มืดไม่มนไม่หลงกําลังเดินได้นั่งได้ยืนได้นอนได้กินได้ถ่ายได้ติสมัมผัสใช้ไดก็ต้องสร้างพอพอคันกับใช้ชีวิตส่วนอื่นหรือมากกว่าอันอื่นด้วยซ้ำไปเมอมันเป็นแล้วมันก็เป้นไปทั้งหมดเลย ชีวิตทางชีวิตแบงนี้แต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวอันนนนี่ <c oughs> จะเข้าเก็บอารมณ์หรือไม่เข้าเก็บอารมณ์หลักมันก็อยู่ตรงนี้นะแต่หลงไปทางอื่นบางทีมันตกแหลงความรู้มีเหตุมีผลโดยบางทีก็ทนุถนอมบางทีก็มีอาสาทะพอใจจะากไหลงมาน หลักมันก็คือการเคลื่อนไหวหลักของกรรมฐานต้นมาอยู่ตรงนี้มันจะไปไหนต้องกลับมาจะไปเอายอดนันต้องมีต้นมันจึงมียอดวองทีเช่นฟองรู้มีสติมีปัญญาปัญญามันเป็นผลของความรู้จุดตัวจะไปเอาปัญญาเลยมันก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างฐาด มีความรู้มีความสุขความสุขมันเกิดจากการที่สร้างสติอย่าไปทิ้งตัวนี้ถ้าไปเอาน้ดเลยอยู่ไม่ได้กี่วันหายหดไปเลยดื้อไปเลยก็ อ, อย่าทิ้งฐานเมือเราเอาเข้าวสารเอาเข้าวสุกมากินแต่อย่าไปทิ้งข้าวเปลือกเราไม่ได้กินข้าวเปลือกแต่เรารักษาข้าวเปลือกไว้เรากินข้าวสุก ข, ข้าวสารข้าวสุก ถ้าทเที่ยงข้าเปลือกมันก็มีกินไม่กี่วันแม่นบอกพ่อทยกเพราะพอเปล่งแค่นหน้านี่ยแหละที่แทีเข้าเปลือกคนแน่นอนมาแน่นอนกรรมกร็คือการการะทํำของเราเนี่ยมันจึงจะมีผลมันมีมากก่อนมันจึงมีผละการปฏิบัติธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอย่าไปเที่ยงนะอย่าไปเที่ยงหลักอย่าไปเทิ้ยงฐานเลื่อนไว้มืออยู่เสียก่อนเลื่อนไว้มืออยู่เสียก่อน ลำดับลํำนําดูจะเกาะจะเป็นยังไงจะฉุกจะทุกข์จะรูะ้หรือไม่รู้อย่าเพิงโดดเข้าไปอยู่กับความรู้จะ่าเพิงโดดไปอยู่กับความสุขจะ่าเพิงโดดอยู่กับความทุกข์อนนั่นอยาโดดไปนวดหลักมันอยู่ตรงนีนนิ่งไว้นิ่งไว้เกาะไว้เกาะไว้เลื่ไว้จนมันออกลากออกต้นจนมันแน่นหนาหเป็นอเสขาทำไม่เสื่อมเลย หลงต้นไหวที่เราปลูกไว้จากป่าไม้ที่เราปลูกไวนะ้พอที่จะยึดได้แล้วยึดพื้นที่ได้แล้วยึดพื้นที่เราได้เป็นไปได้แล้วที่จะเป็นป่าขึ้นมาพอมันเกิดตากเกิดรังต้นแข็งแรงไม่ต้องลดน้ำแล้วต่อไปก็อาจจะไม่ต้องดายหญ้าแล้วพอมันก็สร้างตัวขึ้นมนความถูกต้องก็สร้างความถูกต้องสังขารมันสล่มก็ไปได้เลย อ่านปฏิบัติธรรมก็มันตั้นต้องถ้ามันไปได้เราก็จ้องไม่ไม่ต้องทาอะไรมันเป็นเสกาธรรมะได้ยินไหมเคยได้ยินไหมเสกาธรรมะเสกาธรรมะเคยได้ยินบ่ว่าต้องขอสวดให้ผีตายว่าจะได้ไหมถ้ว่าสาบวดให้คนเป็นๆฟังเขาไม่ฟังเลยแต่คอกระง้องโป๊ะ อพอดเดเดรกกักุชลาธรรมะกุชลาธรรมะอภัยกตตาธรรมะทุกขาเจวะธนาสามประโยชธรรมะสุขาเวะธนาบอกคนเต้นบางคนสอนคนตายเสกขาธรรมะเสกขาธรรมะปะเนาธรรมะอัจฉตาธรรมะภิตาธรรมะอัจฉตลมานธรรมะภิกตาละมาธรรมะ พระเจ้าก็ให้เราอัจฉติยธรรมทำที่เป็นภายในแก่แต่ น, นี้อัจฉตตาธรรมทำภายในที่มันใช่ได้มนหลงก็ต้องรู้แก่ตัวเองพระเฮตาธรรมไปแก่ภายนอกเขาว่ากับกูเขาว่ากักูนั่นแหละพระเฮตาธรรมมึงมาว่ากักูทําไมมึงว่ากักู ก, กูไม่ลืมมึงอย่าว่าก็บกูพระเตาธรรมภายนอกทําไม่ได้หรอก อัชฉริยะทมาเข้าหาตัวเองเท่ตัวเองมันโกรธหรือรู้สึกตัวหยุดหยุดปัดจตตาทำหยุดได้ทันทีได้ทันทีเพราะเป็นเรื่องของเราเรื่องคนอื่นทำไมได้นี้นะเออว่ายจะพูดไได้เขาพูดได้แล้วอันนี้นะอะไรเนาะอเนาะ